ท่านบอกว่าท่านได้บรรยายานาปณะสิบหกขั้นไว้ในหนังสื อ, อนาปณะอยู่แล้วให้ไปดูตรงนั้นว่าแก้ไขไว่าอย่างไรท่านเป็นคนงานเยอะเกี่ยวกับเรื่องเขียนนะนะาไม่มีเวลาอธิบายในในรายละเอียดกับเราไปถามทีไรก็เจอแต่คำโตะบลรงนี้ามาก็เลยท้อในที่สุดอยู่กับท่านได้ประมาณสักสองสามปีก็ออกมาทีนี้ตอนนั้นเรียนมหาจุฬาก็มาพบในมหาจุลานี้เขาเจะวิธีการหนอมมาสอน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 แต่ในรละแง่ของกรรมฐานนั้นอาจารย์สมทร์ท่านต้องการฟังจากต้นฉบับโดยตรงแต่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเป็นภาษามังเลยก็เลยพูดกับหลวงพ่อว่าอ้าหลวงพ่อท่านพูดภาษากลางไว้ได้ท่านมาสอนภาษากรรมฐานอย่างไรหลวงพ่อว่าก็พูดไม่ได้ก็จะให้ทํำยังไงถ้างั้นหนูอาสาสอนให้เอาไหมสอนภาษากลางนะเออก็ดีเหมือนกันว่งั้นอาจารย์สมทรงจะสอนภาษาหลวงพ่อแต่อันนี้จะเป็น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 ดังนั้นเองในเบื้องต้นนี้ถ้าเราไปนั่งทำเบื้องตน้นอุเบกักก็คือความง่วงจะมาก่อนอันที่สองความเบื่อไห้ไรเพราะว่าในช่วงที่เราทำนี้เราเพลินถึงถึงชัดแต่ว่ามันเพลินในความชัดอันนั้นหรือบางคนไม่ชัดแต่เขาเพลินในความไม่ชัดความเพลินนั่นเองก่อให้เกิดความสบาย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 หลายคนเคยผ่านหนอมาแล้วเนาะเขาก็จะเดินแบบหกจังหวนะหกจังหวะแบบขยับยกย่างลงแตะเหยียบขยับยกย่างลงแตะเหยียบอันนี้หนอถ้าเป็นพุทถู ก, ก็ก้าวขวาหายโธโธแต่ถ้าเป็นนาปาก็จะเดินแบบสบายสบายคืเดินไปเรื่อย ให้ให้ให้รู้ว่าเดินเท่านั้นเองแต่วิธีการอุปเพเทียนจะต่างนิดถึงที่ว่าเวลาเดินมันมีสองลักษณะ เ, <c oughs> เรียกว่าสัมปชัญญะปะพรนะเนี่าอภิกันเตหมายถึงว่าการเดินเพืนน่อนาอภิกันเตถ้าเราไปถึงที่ป๊อเนี่ยเราก็ยืนก่อนแล้วก็ให้รู้สึกตัวคือหมายความว่า ตัวขยับเปง่ายให้รู้สึกแล้วก็หมุนอภิกันเตยอยู่นะนี่ในโหมดของอภิกันเตคือเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่พอเดินไปยี้นานเข้ามันเพลินให้เปลี่ยนเป็นจังหวะที่สองเรียกว่าปฏิกันเตคือเดินกลับนี่เรียกว่าปฏิกันเตย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 เพราะนั้ตัวเดินจงครมสร้างเกวะนี้ที่เรามาใช้คือในสัมชปชัญญะรภะซึ่งในวันต่อไปจะพาสวดว่าอันที่สามสัมมินชีเตปาสาลิเตสัมมินชิเตหมายถึงเอาคูเข้ า, ขาปาสาลิเตหมายถึงเหยียดออกการสร้างจกวะนี้มาในสติประธานสี่หมดว่าด้วยสัมปชัญญะปราภะอริสามว่าสัมมินชิเตปาสาลิเตเหยียดออกสัมมินชีเตคูเขา้าปาสาลิเตเหย็ดออก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 พอเจอคำนี้ข้าวอาจารย์กุวิตก็งงวนเออไม่เคยมีใครถามท่านแบบนี้อันนี้ท่านเล่าเองนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าอาจารย์กุวิตก็ไปถามธรรมะมาของท่านบ่อยๆนะก็หลายครั้งที่ท่านนำมามาเล่าอาจารย์กุวิตเป็นผู้เล่าเองเพราะตอนหลังๆเจ้าพันศาปีสองหหนึ่งแปดแล้วท่านก็เลยขอลูกศิษย์งพอเทียนสองรูป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 ก็มามาพบหลวงพอ่อคําหนึ่งที่เวลามาไปพบอาจารย์กรรมฐานสํานักใดก็ตามบอกว่าผู้ใดก็ตามถ้าจะเข้าสู่ประตูวิปัสนาได้ต้องรู้จักรูนาำตามความเป็นจริงที่ไอ้คําบอกเล่าอย่างนี้มันก็ติดอยู่ในหัวแตมาเพราะฉะนั้นพบหลวงพ่อเทียนครั้งแรกที่วัดส่วนแก้วท่านเป็นพระหลวงตาธรรมดาแสางสาสตัวเดวหนั้นน้าร้อนั้น น, น, น, น, นะก็ถามหลวงพอ่อ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 เขาก็มีกระต๊อบเล็กๆอยู่กลางสวนก็ไปนั่งดูหนังสือดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าหลายเรื่องหลายราว ม, มันติ้วๆิววอยูงวาการปฏิบัติก็อยากจะเอาเรียนหนังสือก็อยากจะเรียนในที่สุดมันวุ่นก็เลยเอ๊เห็นท่านบอกให้ยกมือสร้างจังหวะก็ต้ อ, องยกเชิญหมอข้างในหมอันทีก็ก็เลยทำแล้วยกมือ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 ปวดตั้งแต่ป .2 5 0 2เนาะแต่ไปเอมาไปพบท่าน .2119 หร 21, ื20แล้วนะท่านบอกว่าเดิมเนี่ยกรรมาฐานแบบขึ้นไหวเนี่ยเขาสอนกันที่พมา่าแต่เขาขึ้นไหวช้ามากนะยกมาแล้ว เ, เข้ามาอย่างนี้ก่อนแล้วมาควบมือแล้วก็ยก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 อันนี้คือที่เขาสอนกันที่พมา่าต่อมาปีนั้พออนพศสองอ่เขาย้อนย้อนหลังนะปีพศ ส, สองห้าเจ็ดห้าเนี่ยเจ้าคุณพิมุลธรรมวัดมหา่าท่านเป็นสังฆมุลทีว่าการปกครองก็ส่งพระกรรมฐานลูกศิษย์ของท่านชื่อหลวงพ่อเจ้าคุณชูดกสมัยต่อมาหรือเจ้าคุณธรรมราชเทวราชมหาโมนีสมัยนั้นเรียกอาจารย์หาชุดกประโยคเก้าเป็นบาลีเก่งมาก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 ตัวตัวตงุนอิดตัวฉุนเนี่ยไม่ลดท่านก็เลยบอกว่าจะออกจากบ้านไปหาปฏิบัติกอาจารย์กรรมฐานถ้าความรู้สึกโกรธไม่หมดท่านจะไม่กลับเข้าบ้านเงั้นในที่สุดท่านก็ออกไปหายไปสามเดือนท่านบอกว่าไปอยู่ที่อ่าวัดสีเชียงใหม่ที่จังหวัดนนทบุายไปเรียนจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อ มหาปันอีกทีหนึ่งชื่อวงหลพ่อวันทองก็ไปเรียนเสร็จแล้วปรากฏว่าพอจะถึงเข้าพันศาเนี่ยหลวงพ่อวันทองไม่อยู่วัดศรีคุณเมืองศรีเชียงใหม่ข้ามไปประเทศลาวท่านก็เลยข้ามไปประเทศลาวไปจํารรษาอยู่กับหลวงพ่อมหาปันอนันโทสอนวิธีติกนิ่งเนี่ยปรากฏว่าพัรษานั้นทั้งบอกมีพระรยี่สิบรูปมีอุบาสิกาห้าท่านทั้งหมดยี่บห้าคนทั้งท่านด้วยเป็นอุบาสิกสองอบาสิกาสามถ้าเราให้ฟัง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 คือเตือนให้ใจกับกายมันอยู่ด้วยกันเป็นสติถ้ากายกับใจอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกตัวทัว่วพร้อมเตเตมโวจวท่าเป็นสัมปชัญญะเรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ความรู้สึกตัวพร้อมตั้งไปนานเข้านั้นเข้าเรียกว่าสมาธิและความรู้สึกตัวพร้อมตั้งมั่นแล้วเราเห็นทั้งหมดทั้งกายเนี่ยสบายไม่สบายเห็นชัดนะจะลุกจะนั่งจะย่างเห็นหมดเหมือนกับอะไรตกัน